พลังพุท ธ, ธะพลังจักรวาลในปัจจุบันนี้ชาวพุทธของเรานี่กาลังตื่นพลังใหม่ซึ่งมีชาวต่างประเทศเขานำมาเผยแพร่พลังที่เขานำมาเผยแพร่นั้นเรียกว่าพลังจักรวาลอะไรคือพลังจักรวาลในจักรวาล น, นี้มีสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีอยู่สี่อย่าง สอย่างนี้ทางภาษาศาสนาพุทธท่านบัญญัติว่าเป็นธาตุสี่ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟในจักรวาลนี้มีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟและในกายในใจของเรานี้ก็มีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเราอาศัยกายกับใจของเราเป็นหลักและมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคําสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสามารถที่จะสร้างพลังซึ่งเกิดจากส่วนผสมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เกิดมีพลังมหาสารขึ้นมาได้เรียกว่าพลังพุทธะพลังพุทธะนี้ก็หมายถึงสภาวะจิตของเรามีสมรรถภาพมีความเข้มแข็งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อท่านผู้ใดาสามารถทำจิตของตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หมายถึงจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งผู้นั้นสามารถสร้างพลังขึ้นมาในจิตในใจของตนเองได้